รู้จักพุทธมนต์ไว้พอไม่ให้กลายเป็นไสยศาสตร์ทีนี้ก็มาดูกันในเรื่องการสวดมนต์ที่จริงเรามีศัพท์ของเราอยู่แล้วและแต่เดิมนั้นเราใช้คำว่ามนเพียงบางครั้งบางโอกาสโดยเป็นการใช้แบบเทียบเคียงเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องของเราด้วยคำเรียกเรื่องที่เขารู้จักดีอยู่แล้ว บางทีเราก็ใช้คาว่ามนนั้นเป็นเชิงล้อศัพท์ของพราหมณ์เพื่อให้เห็นความหมายอย่างอื่นต่างออกไปที่ประชาชนควรเข้าใจจะได้เลิกหลงเลิกติดอยู่กับมนในความหมายอย่างเก่าของพวกพราหมณ์พวกฤาษีอย่างที่ได้บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามนต์ต่อเต่กากะรันจากบาลีว่ามันตะหรือมนต์ต่อเต่าเรือกะรันจากสันสกฤตว่ามันตรา ตามความหมายหลักแต่เดิมมาหมายถึงพระเวทที่เป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์แล้วรองลงมาก็หมายถึงคำขลังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกพราหมณ์พวกฤาษีนั้นเอามาไล่มาเสกมาสาธยายให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์สาแช่งคนให้ตายหรือให้เป็นไปต่างๆบ้างชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาบ้างสะกดคนสะกดสัตว์ให้อยู่ในบังคับให้เป็นไปต่างๆบ้างพวกฤาษีนั้น โรดเกลียดใครมากๆก็มักสาบแช่งให้ศีรษะแตกตายในเจ็ดวันพระโพธิสัตว์ก็เคยถูกสาบแช่งอย่างนั้นโดยฤาษีที่มาจากวันณพราหมณ์คือพรามที่มาบวชเป็นฤาษีในเรื่องนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนจันทานต้องการปราบมานะคือความเย่อหยิ่งถือตัวของพวกพรามก็ไปกแกล้งฤาษีพรามแล้วก็ถูกฤาษีพรามนั้นสาบแช่งว่า ให้แกต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นให้ศีศรษะแตกในเจ็ดวันแต่พระโพธิสัตว์แก้ไขได้ไมเป็นไรจนในที่สุดฤาษีพราหมณ์นั้นต้องยอมแพ้อะไรอย่างนี้มีเยอะเรื่องประจญกับพวกพราหมณ์ลัทธิเก่าเนี่ยมีมากมายทีนี้คําว่ามนต์ ต, นนต่อเต่าเกาลันมนต์ต่อเต่ารอเรือกาลันและมันตรานี่ ดังที่ว่าแล้วเดิมนั้นเป็นเรื่องของพราหมณ์ไม่ใช่คำพุทธแต่บางครั้งท่านนํามาใช้ในพระพุทธศาสนาในความหมายเชิงเทียบเคียงเช่นในเรื่องของพระเทรีชื่อว่ากุนทนเกสีพระกุนทนเกสีเป็นพระเทรีสําคัญมากเป็นมหาสาวิกาองค์หนึ่งท่านมีชื่อเป็นทางการว่าพระพั ธ, ธากุนทนเกสา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตตัคขะในด้านขิปปาภิญญาคือตรัสรู้ฉับพลันคำไทยว่าตรัสรู้นี้เท่าที่ค้นได้สมเด็จพระสังฆราชสมัยก่อนรังรัชการที่สองอย่างน้อยถึงรัชการที่หกทรงใช้สำหรับทุกบุคคลที่บรรลุมรรคผลแต่สมัยนี้จำกัดว่าให้ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า พระคุณทนเกสีเทรีนี้เป็นทิดาของเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มีประวัติเป็นเรื่องประจนทุกขระเชิญภัยแล้วด้วยปัญญาไวก็เอาชนะผ่านมาได้เป็นเรื่องตื่นเต้นน่าสนใจแต่ขอเล่ารวบรัดว่าต่อมาท่านได้เป็นปริพาชิกาในลทัทธิภายนอกเที่ยวเดินทางไปสแสวงหาธรรมหาความจริงและเพราะเป็นคนมีปัญญาเยี่ยมก็เที่ยวท้าหาคนเก่ง มาตอบปัญหาโตวาทะจนมาเจอกับพระสารีบุตรท่านถามปัญหามากมายพระสารีบุตรตอบได้หมดแล้วพระสารีบุตรถามบ้างท่านตอบไม่ได้และจึงถามด้วยความอยากรู้อยากเรียนว่าที่พระสารีบุตรถามนั้นเป็นเรื่องอะไรพระสารีบุตรก็ตอบโดยใช้คําว่าเป็นพุทธมนตร นี่คือใช้คำว่ามนมาสื่อความหมายให้คนภายนอกเข้าใจถึงความสำคัญท่านกุลทนเกศียากรียนจึงได้บวชและต่อมาก็ได้เป็นพระภิกษุณีสำคัญดังที่ว่าอย่างไรก็ดีในเรื่องของพระกุลทนเกศีเทอรีนี้คำที่ใช้ยังไม่แน่ชัดคือในคำพีฉบับของพมา่าของสิงหหนและฉบับอักษรโรมัน บอกว่าพระสาวรีบุตรตอบโดยใช้คำว่าเป็นพุทธปัญหาไม่ได้ใช้คำว่าเป็นพุทธมนต์อย่างในฉบับของไทยก็ไม่เป็นไรถ้าจะให้เป็นเรื่องที่แน่าชัดกว่านี้ก็ต้องเอากรณีคนผู้เป็นพราหมณ์ชำนาญเวทมาพบกับพระเทราชาองค์สาคัญสาคัญพระสาวกองสาคัญสาคัญของพระพุทธเจ้าส่วนมากมาบวชโดยสลัดออกจากตระกูลพราหมณ์ เพราะในระบบวันนะนั้นคนที่เกิดในวันนะพรามถือตัวว่าเป็นชนชั้นสูงสุดเป็นคนพวกเดียวที่ติดต่อถึงกับพระพรหมผู้เป็นเจ้าได้และเข้าถึงการศึกษาได้จริงจังเต็มที่พรามจึงเป็นทั้งผู้มีอำนาจใหญ่โตและเป็นปัญญาชนของยุคสมัยนั้นในที่นี้จะพูดถึงพรามสองท่านที่ได้สละความเป็นพรามออกมาบวช และได้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนายุคหลังพุทธกาลหลังพุทธปรินิพาน200ปีเศษพระเจ้าอาโศกได้เป็นมหาราชปกครองชมพูทวีปในยุคที่อินเดียกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดพระองค์ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาทรงอุปถัมบำรุงวัดและพระสงฆ์เต็มที่แล้วก็ได้มีคนจากลทัทธิภายนอก ซึ่งอยากได้ลาบมากมายเพื่อให้เป็นอยู่สุขสบายเข้ามาบวชแลวเอาคำสอนที่ผิดเพี้ยนเข้ามาสั่งสอนเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาทำให้ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมปั้นเฟือนพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงได้ทรงอุปธรรมพระสงฆ์ในการทำสังคยาครั้งที่สโดยได้พระโมคลีบุตรติสต์เทระเป็นประธานการสังขยนานั้น พระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระนี้เดิมทีก็เกิดในวันนารามมีชื่อว่าติสสะเป็นเด็กสมองดีจึงเรียนจบไรเพศตั้งแต่เป็นมานบน้อยอายุเพียง16หปีแล้ววันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้พระเทระชื่อว่าสิกขวะมานั่งบนแท่นที่นั่งของเขาติสสามานบนั้นถือตัวนักกลับจากบ้านของอาจารย์มาเห็นเข้าก็โกรธมากและต่อว่า แล้วลงท้ายก็ถามกันถึงความรู้เรื่องมน์พระถามว่าเนี่ยมนบน้อยเธอรู้มนบ้างไหมติสสาตอบว่าถ้าคนยังข้ามีรู้คนอื่นที่ไหนใล่จะรู้และเขาก็ยกเอาเรื่องที่ยากยากในไตรเพศและคำพีสำคัญของพรามขึ้นมาพูดและถามพระเถระเพื่อจะคมแต่พระสิกขวาตอบได้อธิบายได้หมดเพราะท่าน ก็ได้เรียนจบไตรเพศมาแล้วแถมได้ปฏิสัมพิธามีปัญญาแตกฉานมานบหมดภูมิที่จะถามแล้วพระเทระก็บอกว่าเธอถามมามากแล้วฉันถามบ้างได้ไหมขอข้อเดียวแหละมานบบอกว่าก็ถามมาสิพระเทระถามว่าจิตของผู้ใดเกิดไม่ดับจิตของผู้นั้นจะดับ จกไม่เกิดหรือว่าจิตของผู้ใดจะดับจกไม่เกิดจิตของผู้นั้นเกิดไม่ดับมานบน้อยเมื่อกี้หมดภูมิที่จะถามแล้วคราวนี้ไม่มีภูมิที่จะตอบคิดทางไหนก็ไปไม่ได้ในที่สุดจึงถามว่าที่ท่านถามมา น, นั้นเป็นเรื่องอะไรพระตอบว่าเป็นพุทธมน มานพถามว่าให้ชั้นได้ไหมพระตอบว่าถ้าเธอเป็นเหมือนอย่างชั้นเนี่ยก็ให้ได้คือถ้าบวชเป็นพระเป็นเนนเหมือนกันแล้วก็จะให้มานพน้อยอยากได้พุทธมนก็ไปขออนุญาตบิดามารดาฝ่ายพราหม์พ่อแม่คิดว่าลูกไปบวชได้มนแล้วก็จะกลับมาบ้านเองจึงยอมให้ไป พระเถระให้มานบน้อยบวชเป็นสามเณรแล้วก็จัดการให้ได้ฝึกได้เรียนพุทธพจน์จนถึงเวลาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่มีความรู้เชี่ยวชาญทรงระตยปิฎกแล้วก็ได้เป็นพระโมคคันลีบุตรติสสะเถระที่เป็นประธานการสังคยนาครั้งที่สามนั้นในปีพุทธศักราช2 3 0 5ถึง6ในเรื่องนี้จะเห็นว่า พระเทราใช้คําว่าพุทธมนเพื่อให้มานพได้ความคิดความเข้าใจและสนใจโดยเทียบเคียงกับเรื่องจำพวกไตรเพศที่เขารู้จักอยู่แล้วและเขาถือว่าสำคัญยิ่งใหญ่แต่ที่จริงพุทธมนนั้นก็คือพุทธพจน์หรือบทธรรมข้อธรรมทั้งหลายนี่เองและพุทธมน์คือมนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องสาหรับศึกษา ที่จะต้องเรียนให้รู้เข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่แค่จะเอามาจําให้แม่นใจแล้วว่าให้คล่องปากโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรคำว่าพุทธมนีมีการใช้ในความหมายแบบที่เป็นมนของพรามด้วยคือหมายถึงมนในคำพีมหาบุรุษลักษณะที่ใช้ทานาลักษณะของพระพุทธเจ้าและบุคคลสําคัญในระดับใกล้เคียง หลังสังคายนาเสร็จแล้วพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงพอพระทัยว่าพระพุทธศาสนารมจะเจริญมั่นคงและควรจะให้ประเทศถิ่นดินแดนอื่นได้ประโยชน์ด้วยจึงทรงอุปถรัรมภ์ให้ทรงพระเป็นศาสนาูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆก้ า, าสายรวมทั้งสุวรรณภูมิที่ตั้งประเทศไทยนี้ด้วยโดยเฉพาะที่ถือได้ว่าเป็นหลักคือสายที่เก้า สู่ลังกาทวีปซึ่งพระอุณาสายคือพระมหินทเทระเป็นโอรสของพระองค์เองสิ่งที่พระมหินทเทระนาไปเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปคือพระไตรปิฎกและอัถกถาทั้งหลายนั้นนาไปในตัวพระสงฆ์ที่สมัยนั้นใช้วิธีสาธยายทรงจําไว ได้เป็นฐานที่มั่นสําคัญของพระพุทธศาสนาโดยต่อมาได้จารึกเป็นตัวอักษรและหลายประเทศได้มารับเอาไปรวมทั้งรับกลับไปสู่อินเดียแดนเดิมของพระพุทธศาสนาเองที่ศีรษลังกานั่นแหละต่อมาพระราชาก็ได้ทรงส่งทูตไปทูลพระเจ้าอาโศกขออารัธนาพระสังฆามิตราเถรีมาประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในลังกาทวีป พระสังฆามิตราเทรีก็คือพระราชธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชเองและพระเทรีได้นำกิ่งพระศรีมหาโพไปปลูกไว้ที่อนุราธาปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงของศรีลังกาในสมัยนั้นด้วยและในปัจจุบันพระศรีมหาโพต้นนี้ก็ยังยืนต้อนอยู่โดยมีชื่อว่าเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก